นี้เป็นวันที่31มีนาคม2550วันพุ่งนี้เป็นวันที่หนึ่งเมษาตรงกับวันอาทิตย์พุ่งนี้เช้านะฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าก็คงจะกรอะใบสมัครหนักคุณหมอคำานัาเกเดขาสะาตาบนนายู จะบวชวันพุ่งนี้ฉัน จ, จังหารเสร็จนะประมาณ9ก้าโมงก็เตรียมพร้อมแล้วพระอุปชาคงจะลงมาแล้วก็คงจะเตรียมการบวชผงพ่อว่าน่าจะก่อนเที่ยงนะน่าจะจบทุกอย่างแสดงว่ปรงผมเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วคงจะไม่มีพิธีอะไรบวชแบบพระกรรมฐานบวชพระกรรมฐานไ ม, มมนไม่มีพิธีรีตองมันไมมีการเฮนองเฮนา เราจะแห่ทำไมถ้าเราบวชตามแ้วแถวที่พระพุทธเจ้ า, ยาพาบวชเห็นไหมพระพุทธเจ้ า, ยาขึ้นขี่ม้ากับนายชนะขโมยหนีอีกต่างหากไปอยู่ในป่านั้นไม่มีใครตามมีแต่นายชนะนั่งม้าไปด้วยเกาะหลังม้าไปด้วยไปอยู่ในปานน่านี่แหละเพราะนั้นถ้าเราคิดดูให้ดีแล้ว ลองบวชตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพาบวชพระพุทธเจ้าพาบวชอย่างไรท่านไม่มีการยุ่งเหยิงบุ่นวายแต่พวกเราบวชสุดท้ายภายหลังวิธีนั้นมีพิธีนั้นยุ่งเหยิงบุ่นายไปหมดเพราะฉะนั้นเราบวชเพื่ออทิศพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์บวชเพื่อหวังบุญกุศลเราก็ต้องปฏิบัติตามหรือทําตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพาดําเนินมานะ เมื่อกี้ก่อนที่มาประชมุมหลวงพ่อก็ทราบข่าวยมทมูตเทวทูตบอกข่าวมรณะนดสติคุณแม่เข็มคุณแม่ชีนะอายุ8ปดสิบกว่าที่วัดป่าโคกสาครท่านอาจารย์นิยมโทรมาบอกว่าคุณแม่เสียแล้วหลวงพ่อ เมื่อกี้ในหลวงพ่อก็เลย เ, ลเตรียมเครื่องไถยทานที่จะใช้ในการงานศพเผาสารอาหารแห้งผ่าตรงผ่าไตรผ้าขาวไปมอบให้แล้วก็จะตุ ป, ปจัจเอาไปมอบให้ก็่อจะได้จัดงานหลวงพ่อเองก็เลยเป็นผู้กำหนดนานเป็นผู้กำหนดให้เผาที่ตรงไหนวันที่ยังไงให้หมายกำหนดการอย่างไรแต่คิดว่าเป็นวันที่สาม วันที่สามหลวงพ่อว่างตอนกลางวันก็คงจะไปงานนี่ประชุมเพลิงศพคุณแม่ชีเข็มสมัยหลวงพ่อเป็นพระหนุ่มพระน้อยที่ก่อนที่จะมาที่นี่หลวงพ่อเดินทุดงมาข้ามหลังเขาคูพานมามาพักที่วัดโคกสาครลองเท้ามันชำรุดชุดชม แต่หลวงพ่อเขาไม่ได้ขอนะคุณแม่เข็ม น, นี่เห็นรองเท้าหลวงพ่อจำรูปเขากดซื้อรองเท้าให้หลวงพ่อเลยนะรองเท้าตราดาวเทียมสมัยนั้นให้หลวงพ่อได้ใช้รู้สึกว่าเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มองครูบาอาจารย์ด้วยสติปัญญาเหมือนกันจากนั้นก็หลวงพ่อมาอยู่ที่นี่แบบใหม่ๆบัดของเราก็ยัง ดึกดอกอใหม่ว่างั้นอะอะไรมันก็ขาดเรือขาดตกคุณแม่ท่านก็เลยช่วยนี่แหละพวกของกินของใช้ตามที่ท่านมีท่านคนเล่นแค้นอยู่แล้วเพราะท่านอยู่ในป่าดงพงไพรสมัยนั้นญาติโยมก็ยังไม่เป็นฝึกแผ่นยังแจกทุกวันนี้แต่และ ว, วัดท่านก็เขียมเขียมเหมือนกันแต่ท่านก็ยังเกียดมาให้ว่างั้นอะพวกน้ำปุง๋งน้ำปลาอะไรท่านก็ยังเกียดมาให้เราเนี่ยน่ะ ถ้าจะว่าไปแล้วคุณแม่เนี่ยเป็นผู้มีบุญคุณสำหรับวัดเราอันหนึ่งนี่ะว่าบุญคุณตัวนี้ควรจะทดแทนควรจะชดใช้ควรจะทดแทนบุพภกกากรีบุคคลผู้มีอุปการะกร่อนกตันยู ก, กะตะเวทิตาเมื่อที่ท่านไปทำมาแล้วเราก็ควรตอบแทนบุญคุณท่านอันนี้ก็ถึงกล่าว อายุสังขารอายุ80ิกว่าปีทันกมรณาภาพสิ้นลมในวันนี้นี่แหละอันนี้เป็นว่ายมมาโทบอกข่าวพวกเราท่านทั้งหลายถึงจะอยู่อย่างนี้ก็เถอะนะอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าต้องเดินตามหลังกันไปเรื่อยๆไม่มีผู้ใดที่จะแวดหนีออกไปจะไม่ถึงจุดจบ จะไม่มีวันตายไม่มีถึงจะพูดหรือไม่พูดบางคนก็มาอยากจะคิดไม่อยากจะพูดถึงความตายแต่ตามไม่จริงเพราะพุทธเจ้าว่าควรพูดไว้ดีกว่าเพราะถ้าไม่พูดเอาไว้ไม่ได้ศึกษาเอาไว้ไม่ได้คิดเอาไว้พอถึงคราวนั้นเข้ามาเลยไม่รู้จะทำอะไรทําอะไรไม่ถูกเข่าอ่อนปากสั่นเพ้อไปหมด เพราะเราไม่ได้คิดไว้ก่อนแต่ถ้าว่าเราคิดไว้ก่อนว่าเราอีกสักวันหนึ่งนะต้องไปตามที่เขาบอกตามที่เขาพาไปเราคงจะหลีกลีหนีไม่พ้นแน่นอนถ้าเราได้คิดไว้อยู่เสมอนะมรณงเมพาวิสตินะระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมออันนี้แปลว่าถึงคราวตัวเองถึงขาวถึงตาตัวเองก็ไม่สะทกไม่สะท้านไม่หวั่นไหว เพาได้คิดไว้แล้วถ้าเราไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้าเราจะทําอะไรไม่ถูกในเมื่อจุดนั้นมาถึงเพื่อนั้นท่านถึงให้คิดไวอยู่เสมอแต่บางคนก็ว่ามีอะไรก็มีแต่เอาความตายมาขู่กันอ่าเอาความตายมาขู่กันเอาความตายมาว่ากันอ่าเป็นเรื่องที่ทําให้จิตใจเศรืมเศร้าเศร้าหมองไม่เบิกบาน ตามไม่จริงที่พระพุทธเจ้าที่ท่านให้สอนอย่างนั้นท่านไม่ให้สอนแบบโ ง, โง่ๆท่านสอนแบบให้มีปัญญาถึงเราเกิดมาแล้วถึงเราจะทํำยังไงก็ตามเมื่อเราอยู่ในสถานะนี้ขณะ น, นี้เวลานี้เราควรจะทําตัวอย่างไรให้ดีที่สุดนะไม่ใช่ว่าพอตัวเองจะถึงทานอาหารเข้าไปโอ้ทานเข้าไปแล้วก็กเป็นอุจจระอย่างเก่า เราจะไปทานมันทำไมเนี่ยมันจะได้หรือทั้งที่ทานเข้าไปก็เป็นอุจาระทุกครั้งไม่เป็นอย่างอื่นเป็นภาระอีกต่างหากเราจะไปทานมันทำไมถ้าไม่ทานมันก็อยู่ไม่ได้ในเมื่อเราเกิดมาจากนี้สถานะอย่างนี้เราก็ทำให้ดีที่สุดถึงมันจะเป็นอย่างนั้นก็เถอะเพราะมันไปเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ทานอาหาร ร่างกายนี่ก็อยู่ไม่ได้ฮะมันต้องแตกสลายต้องตายต้องดับเฉาต้องเหี่ยวแห้งเหมือนกับต้นไม้ไม่ได้ไม่มีปุ๋ยไม่มีน้ำฮะอันนี้ก็เหมือนการร่างกายของเราถ้าขาดอาหารก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าอาหารเป็นภาระไหมแต่คิดดูให้ดีก็เป็นภาระก่อนที่จะหาอาหารมาได้มาเลี้ยงปากเลี้ยงทองทําไมเูาจึงทำํำก็เพราะว่า ถ้าไม่ทาอย่างนี้อยู่ไม่ได้อันนี้เมื่อเลี้ยงดีขนาดไหนร่างกายที่จะต้องตายใช่ไหมอันนี้เราต้องคิดถึงอันนั้นไปอีกเมื่อเราอยู่ในสถานะนี้เราก็ต้องเลี้ยงร่างกายอย่างนี้เมื่อถึงจุดนั้นเราต้องคิดไปก่อนเราต้องคิดไปก่อนล่วงหน้าอีกเหมือนกันเราจะต้องไปอย่างนั้นอันนี้คือพระพุทธเจ้าที่ท่านให้ใช้ปัญญา ใช้ปัญญาพิจารณาอยู่ในปัจจุบันแล้วก็คิดถึงอนาคตแล้วก็วางแผนเราจะทำตัวอย่างไรในเมื่อจุดนั้นมาถึงในก่อนที่จะถึงจุดนั้นไม่ใช่ว่ามัวเมาลุ่มหล ง, งคิดว่าตัวเองจะไม่ตายคิดสนุกสนานเพลิดเพลินจนลืมตัวอันนั้นมันไม่ถูกนะไม่ใช่พิสัยของพุทธะไม่ใช่ การแนะนำของพระพุท ธ, ธะพุทธแปลว่าผู้รู้ผู้ฉลาดผู้รอบคอบในการเป็นอยู่ของตนเองนี่แหละพวกเราทุกๆท่านจะต้องเดินตามหลังกันไปเรื่อยๆอย่างคุณแม่วันนี้ท่านเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้เห็นลูกหลานเอ้ยพวกท่านทั้งหลายเอ้ยพวกท่านทั้งหลายก็จะเป็นอย่างข้าเนี่ยแหละไม่เป็นอย่างอื่นเด้ย ถึงท่านจะพูดหรือไม่พูดก็าตามแต่ตัวอย่างเป็นให้เห็นนะนอนอยู่นั่นหมดสติกระดุกกระดิกไม่ได้ตัวแข็งทื่ออีกสักวันหนึ่งก็ผุพองขึ้นมาถ้าเราไม่เผาไม่ฝังอีกสักหน่อยก่อนเน่าเหม็นผลหัพธสุดถ้าเราไม่มีอะไรหกเจ็ดวันก็แตกผุลงไปน้าสู่น้ำดินสู่ดิน ลมสู่ลมไฟสู่ไฟออกไปจากร่างกายติดน้ําลงไฟแต่กระจุยกระจายกันออกออกไปนี่แหละอันนี้แปลว่าร่างกายของพวกเราไม่เป็นอย่างอื่นอันนี้เรากควรจะคิดเอาไวน้ะะนะควรคิดเอาไว้อย่าประมาดตายแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นแต่ว่าใครจะช้าหรือเร็วเท่านั้นแต่ร่างกายจะต้อง สูสภาพแต่จิตใจเทนี่จิตใจคือนมามธรรมคือตัวผู้รู้เนี่ยตัวนี้ไม่ตายพอร่างกายจุดลมหายใจวิญญาณก็เขย่าตัวร่างกายพายายามกระเสือกกระสนพายายามดูใจดูกายของตัวเองมันไม่ไหวพอมันไม่ไหวแล้วก็ทิ้งองนั้นออกจากร่างไปก็เหมือนกับรถนั่นะ รถมันหมดสภาพแล้วไงแอบลูกสูบก็ติดยางก็แตกอคาบิวก็เสียเจ้าของเขย่าไปเขย่ามาไม่รู้จะซ่อมตรงไหนมันเยอะเกินไปงั้นสู้ไม่ไหวเอเพราะว่ารถคันนี้มันมันเสียหายแหละตามันก็บอดหูมันก็สสภาพตัวไหนเสียหายหมดในรถ จนไม่สามารถที่จะซ่อมได้ช่างไม่ซ่อมซ่อมไม่ได้ซ่อมก็สร้างสุดความสามารถช่างก็คือใครคือหมอหมอสุดความสามารถที่จะรักษาสุขภาพของคนคนนั้นได้ก็เหมือนกับใจของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะซ่อมร่างกายดูแลร่างกายตัวเองได้หมดสภาพผลที่สุดก็คนก็ทิ้งรถเหมือนกัน ไม่ทิ้งได้ยังไงจะไปนอนเฝ้านั่งเฝ้าได้ยังไงเมื่อลุกลดมันมันหมดสภาพแล้วอันนี้ก็เหมือนกันร่างกายของเรามันหมดสภาพแล้วเราจะอยู่ในร่างกายได้ยังไงจากนั้นก็มันหมดสภาพแล้วก็ทิ้งอ่าพอทิ้งเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงสิร่างกายมันก็จะต้องเน่าเปื่อยไปตามสภาพอย่างนั้นก็เหมือนกันรถก็เหมือนกันในเมื่อคนนี้จะรถแล้วทีรถคันนั้นก็จะต้อง ถูกแดดถูกฝนฝนที่สุดยุบย่อบลงไปสนิมเกิดไปหมดเพราะคนไม่ได้รักษาอันนี้ก็เหมือนกันร่างกายของคนเราก็เหมือนกันพอใจออกจากร่างทีนี้มันก็หมดสภาพเพราะใจไม่ได้อยู่ในร่างแนละ้วใจออกไปจากร่างอนะ่ร่างกายนันก็จะต้องผุสลายเหมือนกับรถนั่นแหลคนขับรถที่ใช้รถหนึ่งต้องหนีไปหาคันอื่นเลย ไปหาที่อื่ น, นร่างกายของเราก็เหมือนกันในเมื่อร่างกายของเราหมดสภาพแล้วใจของเราก็ต้องออกไปหาที่อื่นไปปฏิสนธิไปหาเกิดที่อื่นต่อไปถ้าว่าเรายังมีเชื้อเชื้อคือกิเลสราคะโทสะโมหะยังอยู่ในใจของเราอยู่เราก็พาไปหาเกิดในภพภูมิต่างๆะะถ้าเรามีบุญถ้าเรามีบุญมีกุศล เราสั่งสมดีแล้วเรามีบุญเหมือนกับคนมีรถนะี่ยซเฟอร์มีเงินมือนกนแตเอซเอซร์มีกระเป๋าเงินมีทองมีทองมีเงิน เ, เตรียมไว้แล้วทางรถคันนี้เสียก่อนเอาเงินไปซื้อคันใหม่อีกเอี่ยมกว่าเก่าดีกว่าเก่าสภาพาใหม่กว่าเก่ายี่ห้อสูงกว่าเก่าเพราะเหตุไรเพราะซูโฟร์นั้นได้เตรียมไว้แล้วว่า รถคันนี้จะต้องพังอีกสักวันหนึ่งเราจะนอนใจไม่ได้เราต้องเตรียมเงินเอาไว้เพื่อจะได้ซื้อรถคันใหม่ยี่ห้อหมายตาไปแล้วเราจะจะซื้อคันไหนอันนี้ก็เหมือนกันถ้าคนไม่ประมาทจะเป็นอย่างนั้นเราเมื่อเราเป็นมนุษย์เราก็พยายามสั่งสมบุญกุศลเตรียมพร้อมเอาไว้เราต้องคิดเอาไว้ว่าถ้าว่าข้าตายไปแล้วข้าจะ ไม่เกิดเป็นสัตติรจาร์ข้าจะต้องไปสู่สวรรค์นะเราหมายไว้แล้วคือสูงเหล่างันเด่ะเราจะต้องไปสู่สวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเราจะภาวนาให้จิตของเราสงบอย่างไงจังดึงเราก็ต้องไปสู่พรมหรือมากกว่านั้นเราก็จะต้องเป็นมหาเศรษฐีไปเลยคือสําเร็จเป็นพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาพระอระหันต์คือในใจของเราไฟสูงเอาไว้ ปรารถนาอย่างนั้นเอาไว้เราก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเดินโยกรมบั้งนั่งสมาธิภาวนาพิกจิตพิกใจดูจิตดูใจของตนเองตั้งอยู่ในให้มีสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาเวลาอันนี้แปลว่าเป็นผู้สั่งสมเงินคําทรัพย์สมบัติตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้อีกสักวันหนึ่งเมื่อเราออกจากร่างนี้เราก็มีสมบัติเต็มกระเป๋าเราจะไปที่ไหนก็ได้ เราจะซื้ออะไรก็ได้เพราะนั้นถ้าจะเปรียบเทียบกับลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าพวกเราตั้งอยู่ในความประมาทออกจากร่างนี้แล้วใจดวงนั้นดวงวิญญาณ น, นามธรรมดวงนี้จะต้องหมดสภาพไม่มีกุศลก็ตกต่ำไปเรื่อยเหมือนกับคนไม่มีเงินออกจากรถคันนี้ผุพังไปแล้วก็ไปซื้อรถคันอื่นเงินก็ไม่มีทีนี้ ผลที่สุดก็เลยออย่ำตอกงั้นอ่ะบิณ ญ, ญาณก็เลยเป็นอสุรกายเดินด้วยหิวการหิวโชว์ป่วยใจว่างั้นอ่ะจะไปที่ไหนก็ไปไม่ได้ไม่มีเงินที่จะไปผลที่สุดก็เลยมกปนเวียนอยู่กับวงสาขณะญาติใครทําบุญนี่ไหนก็ไปไปคอยเขาถ้าเขาอุทิศส่วนกุศลให้อาได้รับถ้าเขาไม่อุทิศส่วนกุศลให้ก็ แปลว่าไม่ได้รับนะการที่เขาทำให้นะก็ได้บางเสียบางนะไม่เหมือนตัวเองทำเองนะ mm hmm. เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราอย่าประมาทนะตายแล้วไม่สู์ในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านวิเคราะห์ออกมาแล้วท่านเห็นแล้วนะท่านจึงไดเอามาพูดมาสอนพวกเราท่า น, ท, านทั้งหลายแต่ว่าพวกเราท่านทั้งหลายอยากจะพิสูจน์พระพุทธเจ้าก็ไม่สมวนลึกกระสิทธ์นะนะ ครูบาอาจารย์ก็ไม่สงวนลิขิตพวกท่านทั้งหลายจะพิสูจน์ก็ได้ทํำยังไงพระพุทธเจ้าบอกพิธีพิสูจน์ท่านนั่งสมาธิเดินจงกรมทําจิตให้เป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ว่าร่างกายนี้เป็นอันหนึ่งใจนะั้นเป็นอันหนึ่งแต่อยู่ด้วยกันเหมือนไข่กับจานจานกับไข่คนกับรถกับพรถอย่างนั้น อย่างที่หลวงพ่อได้พูดนี่แหละมันเป็นอย่างนั้นถ้าจิตสงบแล้วเราจะเห็นชัดด้วยตนเองเพราะนั้นที่เรามาคราวนี้นะมาบวชในครั้งนี้นะควรจะศึกษาหลวงพ่อว่านะควรจะศึกษ า, าแล้วก็ปฏิบัติเอาจิงเอาจังอย่าปล่อยปะละเลยอย่าถือว่าสิ่งอื่นสำคัญกว่าจิตตภาวนาสิ่งอื่นอย่างอื่นเราทำได้เมื่อเราศึกออก ไปเป็นครวาตแล้วแต่จิตภาวนานี่หาโอกาสอย่างนี้หาได้ยากเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะอย่างหาโอกาสได้ยากอย่างนี้เราควรจะฉกฉวยหาโอกาสอย่างนี้พยายามทำจิตให้สงบไม่ต้องคิดวิตกกังวลว่าหวีอ้างว่างเงียบเหงาเศร้าซึาซมสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเรื่องกิเลสอยู่ในใจของเราพาออกนอกรูนอกทางทางนั้นพวกเราให้รู้เอาไว้นะ อันนี้ก็คือที่หลวงพ่อไปเห็นในวันนี้นมะระนางเมภาวิสติท่านตายเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นคนตายต่อไปแล้วก็ต้องเอาไฟเผาล จ, จุดไฟเผาเป็นเท่าทานต่อไปแปลว่าหมดชีวิตหนึ่งต่อในคนคนหนึ่งอีกสักวันหนึ่งเราก็คงจะตาย ให้คนอื่นเห็นอีกเหมือนกันเป็นตัวอย่างให้คนอื่นอีกแต่บางคนถึงจะตายมากกี่คนก็ตามก็ไม่อยากจะดูไม่อยากจะศึกษาเหมือนกับตัวเองเหมือนจะไม่ตายอย่างนั้นคนอื่นตายเลยเผื่อๆยังกินเหล้เาเมาย า, เ, า, เ, าเอาการพนันเอาให้โลมาตกในงานศพอีกแปลว่าคิดว่าคนอื่นตายแล้วนะั้น คงไม่ตายลักษณะอย่างนั้นหรือก็ไม่ได้คิดไม่ได้คิดให้มากไม่ได้วางแผนของตัวเองลักษณะอย่างนั้นเพระนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะเมื่อได้ยินได้ฟังแนวแถวที่พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนแล้วให้พวกเรานําไตรตรองเหตุและผลที่ได้ยินได้ฟังแล้วนะใช่ไหมถูกไหมเป็นจริงไหมในหลังนี้ต้องถามใจตัวเองไว้อยู่เสมอ หลวงพ่อว่าหลวงพ่อพูดไม่ผิดนะที่พูดมาเนี่ยพูดตามความเป็นจริงจริงๆไม่เป็นอย่างอื่นเออไม่ได้ขูไม่ได้เข็นไม่ได้ยกเมกมาพูดไม่ได้โกหกมาพูดพูดตามความเป็นจริงคนเราเป็นมาอย่างนี้เป็นไปอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นนะอันนี้ก็คือมรณะเมอ์ที่หลวงพ่อไปเห็นในวันนี้เนี่มาพูดเกี่ยวกับเรื่องความกระตัอยู่ ความกตัญญูกตเวทีตาต่อบุคคลที่ทาให้แกอเราอันนี้ในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยถือเป็นเรื่องจิตเรื่องใจจริงอันดับแรกก็คือพ่อแม่พ่อแม่ของพวกเราที่ได้เลี้ยงดูเรามาด้วยการทนุถนอมจนพวกเราใหญ่ถึงขนาดนี้แหละได้เป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นมดเป็นหมอเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระเป็นเจ้า อย่างพวกเราท่านทั้งหลายนั่งด้วยกันเรื่องเนี้ยสามชีวิตเนี้ยเราเกิดมาจากที่ไหนเกิดมาจากพ่อจากแม่เพราะฉะนั้นพ่อแม่ของเราเนี่ยที่เลี้ยงเรามาใหญ่ถึงขนาดนี้ต้องมีอุตสาหะวิริยะจริงๆรด้วยความรักลูกจริงจริงสงเสียจนได้เรียนหนังสือจนใหญ่ถึงขนาดไหน จนพ่อแม่ล้มหายตายจากไปก็ยังห่วงหาอะไรลูกอยู่แต่โดยมากลูกทั้งหลายบางคนก็ดูพ่อแม่ไม่อยู่ในสายตาอันนี้หลวงพ่อวันหน้าตำหนิอย่างมากเพราะนั้นพวกเราที่เป็นลูกหลานเป็นลูกของพระพุทธเจ้าสากยบุตรนะแล้วก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ควรจะสำนึก ในใจไปอยู่เสมอผู้มีพระคุณอันดับแรกก็คือใครคือพ่อกับแม่พ่อแม่เป็นผู้มีบุญคุณอย่างยิ่งสำหรับบุตริดาสำหรับตัวของเราเองในร่างกายของเราทุกส่วนตั้งแต่หัวจนเท้าเราได้มาจากใครไห้ถามดูซิเราได้มาจากใค ร, ใ เ, ร, าาใครเราออกมาจากที่ไหนเราได้มาออกมาจากท้องแม่พ่อแม่เป็นผู้ให้กาเนิดเรา ในเมื่อเราออกมาแล้วเอพ่อแม่ก็ยังเลี้ยงดูอีกเ อ, เ, อเลี้ยงดูจนตู้เรียงสาภาวะจากทั้งตัวเองก็เดิมมาเลี้ยงตัวเองพอมาเลี้ยงตัวเองเนเออบางคนก็ปลาหมาดพ่อแม่อีกต่างหากว่าเหมือนกับตัวเองไม่ได้เกิดมาจากพ่อจากแม่อย่างนั้นน่ะเห็นพ่อแม่ไม่อยู่ในสายตาเห็นพ่อแม่เป็นคนอื่นไปเห็นพ่อแม่เนี่ยเป็นเออ เหมือนกับอะไรตัวเองมาเกิดแล้วพอเหมือนกับพ่อแม่เนี่ยไม่อยากจะให้ตัวเองเกิดตัวเองกลับมาเกิดแล้วคาว่ามาเกิดแล้วที่พ่อแม่เลี้ยงดูไม่คิดไม่เห็นจุดนั้นนะคิดไม่เห็นเพราเหตุไรถ้าจะว่าไปแล้วลูกของคนคนนั้นโง่อ่า แล้วก็พ่อแม่เป็นบาปกรรมของพ่อแม่อีกส่วนหนึ่งที่ได้ลูกโง่กันแอบน่าจะพูดอย่างนั้นะนะแอบพราะั้นพวกเราเป็นยังไงถือว่าพวกเราเป็นคนโง่ไหมที่ไม่ระลึลกถึงบุญคุณของพ่อแม่เพราะั้นพวกเราต้องสํานึกไว้ให้ดีนะถ้าเราถือว่าเราเป็นผู้ฉลาดนะเราต้องดูให้ดีคิดดูให้ดีไตรตรองรู้ให้ดีที่เราเกิดมา จากท่านท่านได้เลี้ยงลูกเรามาแล้วก็ท่านถึงท่านจะว่าเออข้าเลี้ยงลูกมาจะไงข้าต้องพึ่งพาอาศัยลูกถึงท่านจะไม่พูดอย่างนั้นก็เถอะแต่ในใจส่วนลึกของท่านแล้วถ้าเมื่อท่านเท่าเกศชลาแล้วถ้าท่านไม่พึ่งลูกพึ่งหลานแล้วท่านจะพึ่งไข่ท่านก็พึ่งโดยดีนั่นแหละเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเรามีลูก ขึ้นมาเราก็ต้องพึ่งพาอาศัยเขาเพราะตัวเองช่วยตัวเองไม่ได้เพราะเท่าเกศชลาแล้วนีน่แหละไอ้เรื่องบุญคุณเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักแต่ขนาดการเป็นอยู่อออกจากพ่อแม่แล้วก็เมื่อใหญ่ขึ้นมากับคู่ครองนขนาดคู่ครองพระพุทธเจ้าก็ยังสอนนี่คือสามีพัญญาไย เณรสามีพัญญาพระพุทธเจ้าก็ยังสอนให้และลึกถึงบุญคุณต่อกันเมื่อเขาทําคุณให้แก่เราเราก็ควรจะทดแทนบุญคุณเขาในมีในชาดกหลวงพ่อได้ศึกษาในพระไตรปิฎกในชาดกหลวงพ่อหน่าคิดเหมือนกันที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนสอนอุบาสกอุบาสิกาสอนคราวาสญาติโยมที่ก็มาเกี่ยวข้องแวันหนึ่งตอนบ่าย พระพุทธเจ้าของเราประทับอยู่ที่วัดป่าเชตตะวันมหาวิหารกรุงสวัรถีมีสองสามีพันยาที่เป็นกุฎุมพีกุฎุมพีก็คือเป็นขะหะบอดีที่มีอันจะกินเหมือนันแต่ไม่ถึงขั้นเศรษฐีแต่มีอันจะกินเป็นคนล่ํารวยยุกหนึ่ง เ, เข้ามากราบพระพุทธเจ้าพอเดินทางมาใกล้พระพุทธเจ้าแล้วก็เข้ามากราบพระพุทธองค์ตอนบ่าย เหมือนกับศรัทธาญาติโยมมาวัดเราอย่างนั้นน่ะถ้ามาใกล้นะก็เขามาไปเขาไปกราบคาวะพระพุทธเจ้าสองสามีพันยาก็เข้ามากราบพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ถามพันย า, อาของรามนันนะบอกว่าเป็นไงอุบาสิก า, าสามีให้ความเมตตาอยู่เหรอสง้อดีอยู่เหรอ ช่วยเหลือสมคดีอยู่ใช่ไหมคือท่านถามสารสุขสุ ข, สขติบของครอบครัวงั้นทางอุบาสิกานั้นก็าบอกว่าสามีของหม่อมฉันโดยมากจะไม่มองจะไม่เห็นคุณงามความดีของหม่อมฉันเลยพระเจ้าค่ะอย่างมาเมื่อกี้เนี่ยเดินทางมาด้วยกันเหนื่อยเหนื่อยเดินทางมาด้วยกัน พลานพลานป่าเขาเอาเนื้อเหียย่างเฮียมาหนอยเียย่างให้หมอมชันก็ได้เอาใบไม้หอ่อแล้วไปหิ้วมาพอมาถึงท่าน้ำพามเก็บอกว่าสามีก็บอกว่าไปเจ้าลงไปเอาตักน้ำเอาใบบัวลงไปหอน้ำ เอาขึ้นมาให้ดื่มหน่อยนะป่ะเดี๋ยวเราเราจะนั่งคอย อ, อพอดิฉันลงไปตักน้ําสามีของฉันกิกนกินเฮียย่างตอนนั้นหมดคนเดียวเหมือนกนเถอนนะขนาดสองสามีไปด้วยกันนะนยังเอาเปรียบพัญญาเหมือนกันเถอะกินเนื้อเฮียหมดคนเดียวแล้วขึ้นมาขึ้นมาฉันขึ้นมาหมอมฉันขึ้นมาและยังพูดดีว่า เหี้ย er, ที่ห่อในใบตองนั่นน่ะมันวิ่งของป่าเนยฉันจับหางมันได้หางขาดคามือของของผมเลยแหละนี่ยมีจะหางมันเหมงอนนแต่ตัวมันมันวิ่งไปแล้วพรนยาก็รู้แล้วว่าสามีกินเหี er, ย้ยยากมันจะวิ่งได้ยังไงใช่ไหมแอบแต่พันยาก็ทําใจแบบนั้นไม่โกรธไม่อะไรแต่ก็อยู่ในใจทําบนั้นแอบบอกว่ า, วาเออทานเนื้อเหี้ย ที่ย่างสุกแล้วมันวิ่งได้เอา้ามันเป็นอะไรไปมันไปไงมันไปซะคือพัญญาเนี่ยมีน้ำใจนะแหมพระพุทธองค์เรได้ยินอย่างนั้นพระพุทธองค์บอกว่าอุบาสิกาสามีของโยมเนี่ยเคยมีมาแล้วนะในอดีตชาตินางนั่นก็เลยทั้งสองสามีพัญญาก็เลยกราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าสมัยหนึ่ง พระเจ้าพมประทัดของราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีวงงนะเงิน่ะสองสามีสามีเนะี่ยเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินเป็นลูกชายคนโตของพระเจ้าแผ่นดินเป็นฟ้าชายวงงนะเงินเถอะทีนี้ก็ได้แต่งงานกับพระว ร, รชายาเนี่ยจากนั้นเห็นพระบิดาเห็นว่าลูกชายเนี่ยดูดูแล้าสมัครพรรคพวก มีบริษัทมลิวานมากก็สงสัยว่าลูกชายจะแย่งราชสมบัติหรือเปล่าก็เลยเรียกลูกชายมาอาเอาเอลูกพ่อยังครองราชอยู่นะให้ลูกออกไปนี่นอกประเทศก่อนนะในเมื่อมีโอกาสยังค่อยเข้ามาเมื่อพ่อสวรรคตแล้วลูกยังค่อยเข้ามาเมื่อได้ยินข่าวนะลูกออกไปข้างนอกก่อน ถ้าอยู่อย่างนี้ไม่เป็นผลดีในการปกครองลูกชายก็รู้ว่าพระบิดาลักษณะที่ว่าไม่ไว้ใจลักษณะอย่างนั้นก็เลยพาพระชายาเนี่ยเดินป่าก็เลยไปอยู่ในป่าก็เลยทาตนเป็นลือสีบวชเป็นลือสีทางปัญญานี่แคือถ้าไปอยู่ธรรมดาเนี่ยาเป็นพิษเป็นภัยแต่ในทตนเป็นลือศีซะ เป็นปนปอนมางั้นอะอยู่ในป่ารงก็อยู่ด้วยกันเป็นฤาษีอยู่ในป่าด้วยกันพอทราบข่าวว่าพระบิดาสวรรคตสองสามีก็มาเดินทางเข้ามาเพื่อจะทับราชสมบัติพอมาเข า, เข า, เ, าเขาก็เอาเขาก็เอาเฮี้ยถาวายเหมืนกันปัญญาก็ถือมาผลที่สุดว่าสามีก็กินกินเฮี้ยอย่างเก่าแต่ในชาตินั้นเหือนกัน คนเคยกินเฮียก็กินเฮียเนี่ยพวกนั้นพวกเราจะไปกินอะไรล่ะใครเคยกินปูนกินเหล็กก็คงจะกินอย่างนั้นนหวองกินดยกกินยาคงจะเป็นอย่างนั้นอันนี้พระราชา้เคยกินเฮียมาชาตินี้ก็ยังกินเฮียกินเฮียย่างอีกว่างั้นเถอะอพอจากนั้นอพอกลับมาไปถึงแห่งหนึ่งก็บอกให้พันยาลงไปตักน้ํา ปราชาก็ากินเฮี้ยหมดอีกเหมือนนเถอะพอ ก, กินแล้วบอกว่าโอ้เฮี้ยตอนนั้นมันวิ่งเข้าจอมปวกไปแล้วตามไม่ทันเหมื น, นั้นพัญยาก็รู้แล้วว่าสามีกินเนื้อเฮี้ยงเออไม่เป็นไรไอกินแล้วก็แล้วไปไอ้มันไปแล้วก็แล้วไปแล้วนะจากนั้นก็สองสามีก็เลยเดินมาจากนั้นก็ได้รับอภิเษกได้เป็นพระเจ้าแผ่นดิ น, น, นเหมือนกนะ กุลงพระนั่งสีก็เลยตั้งพระชายาเนี่ยเป็นอคคมเหสหีพอต่อมาทีนี่พอเป็นอคคมเหสีพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่ได้สงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์อคคมเหสีของตัวเองปล่อยปละละเลยอย่านันน้ก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยได้ไหมไม่ได้สงเคราะห์แต่มีอํามาตย์ท่านหนึ่งเป็นผู้ตาแหลมอย่างนันเน้เป็นผู้มีปัญญาเอ๋อพระราชานี่พระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ย ทั้งที่ไปอยู่ป่าโงพงไพยมาด้วยกันแต่พอมาได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินของราชสมบัติแล้วน่าจะระลึกถึงบุญคุณของพระแม่เจ้าแต่นี้พาะราชาท่านก็เฉยก็ไม่ได้ให้สงเคราะห์ อ, อะไรอีกอีกสักวันหนึ่งเดี๋ยวมีโอกาสเราจะเข้าไปขอเราจะไ ม, ไม่ทำพิธีทำพิธีให้ข้ามทำเรื่องเนขึ้นมาวันนั้นก็เลย มีทั้งอัคคมเหสีมีทั้งพระราชาประทับนั่งอยู่ใกล้กันอํา ม, มาตย์คนนี้ก็เลยข อ, ข, อขึ้นมาพระแม่เจ้าหมอมฉันเข้ามาในเวียงในวังเป็นเวลานมนานพระแม่เจ้าไม่เคยประทานสิ่งของให้พวกหมอมฉันเลยเ อ, อพระแม่เจ้ามองหมอมชันเป็นอย่างไรจึงไม่ได้ประทานสิ่งของอะไรให้พวกหมอมฉัน คืออมัดหาเรื่องว่างนันเถอะเพื่อจะให้เพื่อจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั่นไง ต, ตาตาไม่จริงอมัดกับนั้นก็คงจะพอรู้เรื่องมาพอสมควรแล้ววงั้นเถอะทางพระแม่เจ้าก็เลยพูดออกมาเลยบอกว่าท่านขนาดหมอมฉันเองพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวก็ยังไม่เคยประทานสิ่งของให้ให้ให้พระแม่ใ ห, ใ ห, ให้ให้แม่เลย เพราะนั้นแม่จะเอาสิ่งของสิ่งไหนจะไปมอบให้แก่พวกท่านทั้งหลายขนาดแม่เองก็ยังไม่ได้รับจากพระเจ้าอยู่หัวแต่นี่มัมหมาก็เลยบอกว่ า, วาเอา้าพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้ประทานอะไรให้เลยเหรอไม้ไม่ได้ทำไม่ให้ยังไม่ให้อะไรเลยพระแม่เจ้าก็เลยบรรยายว่าตามไม่จริง เ, เมื่อไปอยู่ใน ป, างปง่าดงพงไพ่ก็เกือบเอาชีวิตไปรอด ดูแลพระองค์ทานแต่พอมาถึง เ, เดินทางกลับมาทั้งที่หิวแสนหิวพระเจ้าแผ่นดินท่านก็ยังกินเฮีย ว, วหาว่าเฮียวิ่งเข้าจอมปวกแต่ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่พอมาถึงจุดนี้แล้วท่านก็ยังมองไม่เห็นคุณงามความดีของหม่อมฉันอำมาตย์ก็เลยทูลต่อหน้าพระราชาว่า ธรรมดาผู้ที่ทําคุณบุญคุณตามมหเฮงพระราชาก็ควรจะลําลึกถึงบุญคุณผู้มีบุญคุณกับตนเองเมื่อผู้ใดมีบุญคุณก็ควรจะทดแทนบุญคุณถ้าว่าผู้ใดห่างเหินไม่รู้จักบุญคุณก็ควรจะไม่ควรจะเอื้อเฟื้อกับคนเหล่านั้นเพราะนั้นหมอมฉันว่า คนที่รักเราเราก็ควรจะให้ความรักเมตตาแก่เขาคนที่หวังดีกับเราเราก็ควรจะให้ความหวังดีกับเขาคนที่ทำบุญคุณกับเราเราก็ควรจะให้ความควรจะให้ทดแทนบุญคุณกับเขาแต่ถ้าว่าคนไม่รู้จักกระทั่งบุญคุณของคนอื่นที่ได้ทดแทนแล้วมอมฉันว่าโลก โลกไปนี่มันไม่แคบมันกว้างขวางอยู่พร้อมที่จะไปสอดแสวงหาในส่วนที่เป็นที่พึงปรารถนาของตอนเองยังได้อยู่พระราชาได้ยินอย่างนั้นเข้ามาก็สะดุ้งแล้วยงั้นเถอะเออใช่เราลืมหลงลืมลืมและลึกถึงพระกรรมเฮสีของเราติดตามไม่จริงเขาอยู่ในป่าดงพงไพ่เขาก็ดูแลเราอย่าง สุดซึ้งแต่พอมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วเราก็ลืมเขาจริงๆจากนั้นพระเจ้าแผ่นดินก็เลยประทานให้ทุกอย่างว่างั้นเลยให้เป็นใหญ่ทุกอย่างเจ้าต้องการอะไรในราชสมบัติเราหม้อไพ้ทุกอย่างจะประทานสิ่งของให้แก่ใครก็ประทานได้เราหม้อไให้ น, นี่ยนี่แหะอันนี้พระพุทธองค์ท่านก็บอกว่าเนี่ยเรื่องอย่างนี้เคยมีมาแล้วในอนดีต แต่ในชาตินี้ก็มาเกิดขึ้นมาอีกคงจะลืมในอดีตชาติแต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้าเป็นประเพณีของโพธิสัตว์อย่างเราตถาคตโพธิสัตว์ขนาดเราเดินข้ามทะเลทรายกับพันยาพันยาหิวน้ำเรายังจอบเลือดจากหัวเข่าให้พันยาดื่มถ้าพันยา จไวหนึ่งที่พนรยาเดินทางไม่ไหวเราจึงแบกขึ้นบนบ่านี่แหละอันนี้ต้องรู้จักบุญคุณต่อกันถ้าว่าผู้ที่รู้จักบุญคุณต่อกันอย่างนี้ความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวนั้นๆในคนู่นั้นๆเพราะนั้นเรื่องบุญคุณควรจะทำนึกไว้ในใจเสมอที่บุคคลใดก็ตามได้ทำให้แก่ตน ควรจะทดแทนแทนบุญคุณเมื่อมีโอกาสที่ควรจะทดแทนเขาอันนี้คือในหลักของพุทธศาสนาเพราะพุทธเจ้าท่านไม่มองไม่มองข้ามเรื่องผู้ที่บุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อน เ, อเมื่อมีโอกาสเราก็ควรจะกระตันอยู่กตเวทิตาควรจะทดแทนชาดกในเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เราเกิดมาเป็นคนอย่าเป็นผู้ในละคุณคนให้รู้จักบุญคุณของคนที่เขาได้ทําให้กับตนถึงจะมากหรือน้อยก็ให้คิดไปอยู่เสมอเมื่อมีโอกาสเราก็ควรจะทดแทนบุญคุณกับท่านผู้นั้นนี่แหละอันนี้ก็ที่หลวงพ่อได้ยกประเด็นนี้ขึ้นมาก็คือคุณแม่ท่านก็ได้ช่วยหลวงพอ่อ เหมือนกันสมัยที่หลวงพ่อมาอยู่ที่นี่หลวงพ่อคุณแม่เป็นผู้มีบุญคุณคนหนึ่งเหมือนกันนะเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านวันนี้ผมได้พูดสองเรื่องใหญ่คือเรื่องแรกก็เรื่องมรณะคือความตายพวกเราหนีไม่พ้นสักคนแต่เมื่อห น, นีไม่พ้น เราควรจะคิดยังไงอันนี้ก็คือเตือนพวกเราทุกท่านพวกเราควรจะคิดอย่างไรกับในสิ่งในเหล่านั้นควรจะเตรียมพร้อมอย่างไรเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตเราได้คิดไว้บ้างหรือเปล่าเราได้เตรียมพร้อมไว้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็คือเป็นการเตือนกัน ไม่ใช่ขู่ไม่ใช่บังคับเพราะผู้ที่พูดเองพวกที่เราฟังทุกคนมันไปจุดนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนังการที่พูดกล่าวตักเตือนกันเนี่ยเหมือนกับว่าไอ้งูจงอางนะอยู่ทางหน้านะเราจะเป็นยังไงเราจะเดินเข้าไปยังไงเราจะเดินยังไงเราจะแก้ไขยังไงเราจะหลบยังไง เมื่อหลงไม่หลีกไม่พ้นแล้วเราควรจะเตรียมพร้อมอย่างไงเ่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องคิดล่วงหน้าไว้ให้รบคอ บ, อบสรุปแล้วคือพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกหลับพิสูจนนั้นพระพุทธเจ้าไม่สงวนลึกกระสิทธิ์ครูบาอาจารย์ไม่สงวนลึกกระสิทธิ์ท่านแนะนําการพิสูตนต้องทําอย่างนี้ คือทำจิตให้สงบอย่างที่พระพุทธเจ้าของเราได้สอนว่า น, นั่งอยู่โคนต้นโพนะนะกหมดลมหายใจเข้าออกเมื่อจิตสงบแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองอันนี้ก็คือเรื่องหนึ่งอั น, น, นเรื่องที่สองหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับเรื่องความกตัญญูกตเวทิตาการทดแทนกยกสามีพัญญายกชาดกขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทาง พวกเราไปอยู่นักสถานที่ใดทินใดให้อยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับครอบครัวสามีพรนยาต่อไปภายภาคหน้าก็ให้ล้ำลึกสำนึกมาอยู่เสมอบุญคุณต่อกันอย่างไรควรจะทดแทนอย่างไรที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ได้พบกันแล้วนะพร้อมกันก็ให้สังสมบุญกุศลเอาไว้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทเตือนกันมาอยู่เสมอว่า มรณะนะคือความตายเนี่ยจะต้องอคืบคลานเข้ามาหาเราไม่วันใดก็วันหนึ่งพวกเราจะต้องถึงจุดนั้นแน่นอนแต่ก็สำคัญเขาขอให้พวกเร า, เ, า, เ, าเตรียมสั่งสมบุญกุศลเอาไว้พราะพระเจ้าท่านเห็นโทษในการเกิดแก่เจ็บตายเห็นทุกในการเกิดแก่เจ็บตายาไม่เห็นความ สงบสุขเรื่องความสีวิไลหรือว่าความปรารถนาที่ว่า เ, เป็นที่พึงพอใจในการเกิดเห็นแต่สุขเล็กๆน้อยๆแต่สิ่งที่จะตามมานั้นมหาศารคือความทุกข์เพราะนั้นพระพุทธองค์จึงไม่ไว้ใจหาหนทางที่จะไม่หมามเวียนไห้ตายเกิดอีกคือแหวกออกไปเหมนัันแหะแวกวงเห้นะนกั ไม่อยู่ในวัดตบะบนแหวกวงออกไปนี่แหละชาระตัวเชื้อที่จะมาเกิดนั้นคืออะไรเชื้อที่นําให้มาเกิดพวกปุนเวียนที่จะมาเกิดนั้นคืออะไรพระพุทธเจ้าท่านค้นพบคือกิเลสราคะความกําหนัดกินดีโทสะคือความโกรธโมโหโทสูความหลงคือความมัวเมาลุ่มหลงมัวเมา ว่าร่างกายสังขารเป็นตัวตนของเรายศถาบรรดาศักดิ์เป็นของเราเงินคําทรัพย์สมบัติเป็นของเราเนื้อสามีปัญญาลูกเต่าเล้าหลานเป็นของเราอยู่ในใจลึกๆปะงั้นแต่พระพุทธเจ้าบอกมันไม่ใช่ของเรานะสิ่งเหล่านั้นตัวเองไปให้ความสําคัญเฉยๆพราะนั้นอย่าไปให้ความสําคัญณนะใจนะคือให้ดูใจในเมื่อดูใจและชําระที่ใจดูที่ใจปล่อยวางที่ใจใจก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นอ่ สกัดกิเลสราคะโทสะออกจากใจใจบริสุทธิ์รู้แจ้งเห็นจริงรู้เท่ารู้ทันปล่อยวางเมื่อใจปล่อยวางเป็นอริยะบุคคลโสดาสกตาคาพระนาคาพระอรหันต์เปลี่ยนตามขั้นตอนจากนั้นก็ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดหนีจากโลกแปลว่าโลกดึงดูดไม่ถึงเหกันเถอะเข้าสู่อวกาศละอวกาศของจิตของธรรม โลกดึงดูดไม่ถึงนะแปลว่านิพพานังปรามังสุญญ์อย่างนิพพานังปรามังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรามังสุญญ์อย่างนิพพานศูนย์คือศูนย์เชื้อเชื้อคือที่จะทําให้เกิดนั่นคือกิเลสราคาโทสะโมหะมันศูญเหมือนกันยังเติมมีแต่ความสุขเท่นี้เมื่อมันสุญเชื้อละที่จะทําให้เกิดแล้วนี่ถึงนิพพานังปรามังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะ เพรนั้นพวกเราทุกๆท่านนะที่มาศึกษาถึงจะทำอย่างนั้นถึงอย่างนั้นไม่ได้นะพวกเราก็ฟังให้เป็นแนวแถวฟังเอาไว้นะแนวแถวพุทธศาสนาแนวแถวที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนพวกเรานะแต่ข้อเบื้องต้นก็คือเรื่องมรณะเรื่องที่สองก็คือเรื่องกตัญญูกตเวทิตานะนะนะการพูดการแสดงวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควร ขอุตินอนตอนนี้ไปนั่งสมาธิน่ที่นี้นะ